อันหนึ่งคุณอย่างอื่นเช่นชาณพิญญาศรัทธาก็มีแก่ปุถุชนทั้งหลายได้เปรียบเสมอนอาหารมีหญ้าและใบไม้เหลืองเป็นต้นเป็นอาหารทั่วไปแก่โคและกระบือเป็นต้นเข้าไปในท้องช้างที่มีกลิ่นหอมก็ยังคงมีกลิ่นคันธชาตินะฉันใดแม้คุณที่ทั่วไปแ ก, ก่เสกาเสขรและปุถุชนทั้งหลายพอมาถึงพุทธสันดาลแล้วย่อมไม่ทั่วไปฉันนั้นนั่ น, น, นเที่ยวะคนของปุถุชนก็ดีเนี่ยนะ คนของพัทธิยะบุคคลทั้งเสขาเสขาทั้งหลายเนี่ยน้อยมากแต่เทียบกับคุณของพระเจ้างนั้นการที่บุริชนทั้งหลายพัลนาและคิดถึงคุณของพระเจ้าเนี่ยที่ระดับคนมีปัญญาระดับพัทธิยาเนี่ยคิดได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยบุริชนทั้งหลายคิดแล้วไม่ได้ทั่วไปหรอกย่อมเป็นดุดพยายามใช้จะงอยปากยุง่งเจาะเพชรเท่านั้นว่างั้นทีนี้ถ้าถามบอกว่า เมื่อพุทธคุณทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแล้วบุรุชนไม่พึงคิดใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าพุทธคุณไม่ควรคิดไม่ควรเจริญไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้บุรุชนภาลนาไม่ให้บุรุชนคิดถึงพุทธคุณเหล่านั้นแต่กล่าวไว้เพื่อจะแสดงว่าพุทธคุณทั้งหลายเป็นคุณที่ใครๆไม่พึงคิดไม่มีข้อเปรียบเทียบและไม่ทั่วไปเป็นต้นคืออย่าไปคิดเพื่อจะให้รู้ทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ที่ท่านสอนว่าไม่หึงคิดเนะี่ะแต่ท่านบอกว่าถ้าปุถุชนไม่กล่าวไม่สรรเสริญไม่คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ลึกถึงพุทธคุณเขาจะพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยถ้าใครเจริญหรือคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่จกพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะทีนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้แนวได้วิธีคิด ได้ข้อสรุปในใจแล้วว่าพุทธคุณนั้นเราเป็นบุรุชนใช่ไหมบุรุชนมีสองกลุ่มอันทาบุรุชนกับกัลยาณบุรุษชนถ้ากัลยาณบุรุษชนแล้วต้องคิดต้องคิดถึงคุณของพระบรมศาสดาถ้าไม่ระลึกถึงพุทธคุณเขาจะค้นทุกในสังสารวัฏได้อย่างไรจะไปถึงฝั่งอนุปาธาปรินิพานในทางไหน จะเจริญศรัทธาได้อย่างไรถ้าไม่คิดถึงคุตคุณแล้วจะเจริญศรัทธาได้อย่างไรจะเจริญศีลจเจริญสุดตาจเจริญจาคะเจริญปัญญาได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นปุโรชนเนี่ยถ้าถามบอกว่าเมื่อสักครู่มาสรุปว่าพระไตรปิฎกทั้งสิ้นนั้นคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั้นทุกอัตทุกพยั ญ, ญชนะในพระไตรปิฎกท่านบรานาคุณของพริพเจ้า ฉะนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้การที่จะเข้าถึงความดับทุกข์ได้การจะปรินิพานได้นั้นน่ะบุคคลเหล่านั้นต้องเห็นคุณของภศาษศาสดาฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเมื่อสาธยายพระธรรมคําสอนแต่ละบทนั้นเน่ะต้องคีดให้เห็นภศาษศาสดาคีดให้เห็นคุณของวุฒิยาวให้ได้ว่าเราท่านทั้งหลายที่รู้จักบุญบาคุณประโยชน์โทษและไม่โทษไม่เป็นโทษทั้งหลายนั่นเอศาภาษาสดาปากไว้ พระเสขาและเศขาทั้งหลายจะระลึกถึงพุทธคุณก็ตามไม่ระลึกถึงคุณก็ตามแต่กระยาณนัุถุชนพึงละเรื่องอื่นๆเสียอย่าเป็นห่วงเขาอย่าไปห่วงพระเศขาอย่าไปห่วงพระเศขะท่านจะระลึกหรือไม่ระลึกใช่ไหมาบางทีไปอ่านพระไตรปิฎกบางสูตรเนี่ยบางทีท่านไปเจริญหมวดอื่นอยู่เนี่ยเราก็นึกเอ๊ะทำไมพระเสขาบุคคลอะเศขาบุคคลท่านไม่เจริญพุทธคุณเลยเนี่ย ละไว้เพราะอะไรแต่กัญยาณุบุรชนพึงละเรื่องอื่นๆแล้วก็ความพุ่งซ่านออกทิ้งแล้วก็ฟังพุทธคุณทั้งหลายด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดเอามีเรี่ยวแรงทั้งหมดเนี่ยนะพึงก็ทำให้คล่องแคล่วทำพุทธคุณให้คล่องแคล่ว เอาเรียวแรงมีอะไรบ้างอ่ะศรัาทธาน่ะคือแรงให้เป็นพระให้เป็นศรัทธาพระวิริยะทําให้เป็นพระสติทําให้เป็นพระสมาธิทําให้เป็นพระปัญญาทําให้เป็นพระ เ, เรียวแรงทั้งหมดใช้เรียวแรงทั้งหมดเนี่ยใช้แล้วทํำยังไงบอกว่าพึ่งกระทําให้คล่องแคล่วพึงเรียนตอนนี้เริ่มเรียนพระตคุณในอย่าง บางคนบอกโอ้ยจะฟังพุทธคุณบอกอุ้ยเป็นของง่ายสู้เรียนสติปัฐานไม่ได้เขาไปเออโค้ดสู้เรียนปัฐฐานไม่ได้ปฐฐานลึกซึ้งกว่าใช่ไหมเคยได้ยินไหมไม่รู้จักพุทธคุณเลยต้องจับมาอาบน้ําเรียนพุทธคุณใหม่เอาเรื่องจริงใช่ไหมท่านบอกว่าต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดนะถ้าจะเรียนพุทธคุณเนี่ยเรี่ยวแรงทั้งหมด แล้วก็พึงกระทําให้คล่องแคล่วพึงเรียนพึงสอบถามพึงเจริญพึงกระทาไว้ในใจนี่แปลว่าอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะพ้นทุกข์ไม่ได้ต่อไปแล้วกลับไปแล้วถ้าใครมาสังเกตบอกอย่ายุ่งจะเรียนพุทธคุณนี่นาะมักจะสอบถามพุทธคุณจะอ่านพุทธคุณใช่ไหมบางทีโอ้ยผลิตคำเพีย้ยวไว้กันเยอะแยะหมดทั้งพุทธประวัติทั้งสัมพลวิบากทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะมองถามมางคน ถามบางคนน่าชื่นใจนะเนี่ยยาอมก็อ่านไม่ค่อยออกนะแต่ยอมอ่านจบไปสองรอบแล้วนี่ฟังก็ชื่นใจนะแต่บางคนหูยยอมอ่านคล่องแต่ไม่มีเวลานี้ดีเลยใช่ไหมเอ๊มีเวลาทําอย่างอื่นแต่ไม่มีเวลาอา่านพุทธคุณเนี่เป็นเรื่องน่าคิดกลับไปตั้งต้นใหม่เป็นเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอย่างนี้นี่แหละเราจึงไม่ค่อยเจริญงอกงามในภาษาศาสนาของภาษาสดาแ น, น่นอนใช่ไหมย๊ะ เพราะเราไม่ใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดนี่หรือหมดแล้วเอา้าศรัทธานี่ต้องมีอาหารเ็าใส่ให้อาหารเสริมไปเดี๋ยวนี้เขาชอบสแสวงหาอาหารเสริมใช่ไหมเรารู้จักอาหารเสริมของศรัทธาไหมก็ในพุทธคุณไงอาหารเสริมเสริมอย่างดีด้วยฉะนั้นเมื่อกรรยาณบุปกรณ์นั่นนะ ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดกระทาให้คร่องแคล่วเรียนและสอบถามพึงเจริญกระทาไว้ในใจอย่างมั่นคงแล้วกระยาณาบุตรชนอย่างนั้นย่อมเจริญด้วยศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลย่อมเจริญด้วยสุยดสตาย่อมเจริญด้วยจาค้าและปัญญาในเรื่องนั้นมีข้าอุปมาว่าช่างภายในนะช่องภายใ น, ยในเมล็ดประกาศก็ดีในหม้อก็ดีในองค์ก็ดีในอ่างก็ดีเนี่ยนะที่โยนในมหาสมุทร ย่อรับเอาน้ําพอประมาณของตัวเท่านั้นจะรับน้ํามาจนหมดมหาสมุทรไม่ได้แม้ฉันใดปุโุชนกัลยาบุโุชนเป็นต้นกระฉันนั้นเหมือนกันนะเอแล้วกัลยาณนบะปุโรชน์พระโสดาบันพระส ก, กาทาคาพระนาคาพระฐานก็รับพุทธคุณของคุณของพระเจ้านั้นนั้นพอประมาณของปัญญาของตนของตนใช่ัหมไอ้ใ น, นปัญญาปุโรชนกัลยาบุโุชนรับคุณของพระเจ้าที่เท่ากันไหม อปัญญารับได้เท่ากันไหมลองไปนา่งสาธยายพุทธคุณนี่เนะี่ยเท่ากันไหมเท่าความจําก็ไม่เท่ากันความเข้าใจก็ไม่เท่ากันความลึกซึ้งก็ไม่เท่ากันใช่ไม่ใช่บางคนลุกขึ้นมาจําไม่ได้สักคนเลยยังมีเลยใช่ไหมเอาลอบางคนในอิติปิสโสภควาได้แค่นี้เอาแพล่ไหนที่แม่พ่อเหตุนั้นว่าไั้นี่ยพระพูมีพระภาคเจ้ า, จาพระองค์นั้นแล้วแม่พ่อเหตุอะไร่ะไม่รู้ บางคนก็ได้แม้เพราะเหตุแห่งทานนบา ร, รมีไงแม้เพราะเหตุแห่งศีลบา ร, รมีเนี่ยขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาเบขาไงแม้พเพราะเหตุเหล่านี้ไงเอาหมดแค่นี้แล้วเอาแม้เพราะเหตุอุปปา ร, รมีสิบป ร, รมัตถบรมีสิบไงสามสิบทัศนไงโอ้โหแต่นี้ลายยาวเลยบางคนเนี่เหตุนั้นเนี่ยนะเหตุที่พระปรมาสตร์สดาสั่งสมมาอย่างยาวนานมากมายานักสั่งสมอัจยาสายจง อัธยาศัยทั้งหกคืออโรมพัธยาศัยกว้างขวางขึ้นอโทสัตยาศัยโมหัตยาศัยใช่ไหมนิสรณัาตยาศัยเปริเวกัตยาศัยเป็นตัวอะไรเนี่ยนะอัธยาศัยทั้งหกก็กว้างขวางอืลึกซึ้งขึ้นแล้วก็สติปัฏฐานส ม, มปัฏทานอิทิบาทอิน ท, ท, ท, ท, ท, ทพรพราพโฌจงรียมาแม้เพราะเหตุอย่างนี้ไงบําเป็นมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับบ้าง สี่บประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับแปดสิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับนี่ไงแม้เพราะเหตุอย่างนี้ไงเก็บรายละเอียดได้เยอะหมดเลยเพียงแค่แม่พราะเหตุนั้นแค่นั้นแหละแต่บางท่านในแม่พราะเหตุนั้นมันได้แค่นี้ทําไงจะมาจะว่าไงนี่ไงบอกว่ายอมรับคุณของพระบรมศาสดาพอประมาณอย่งปัญญาของตนของตนจะรับหมดต่อคุณไม่ได้จริงอยู่นะ เมื่อบุคคลระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาแม้ประมาณน้อยย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ตามระดับดูสิเนะ่เพิ่มจากทีละนิดละนิดละนิดเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยรับคุณของพระพุทธเจ้าตอนสร้างบา ร, รมีครั้งแรกตอนเป็นมานพหนึ่งก็นิดเดียวเนี่ยนะตอนนั้นเน่ะแต่นิดของท่านน่ท่านกล้าแบกแม่ข้ามมหาสมุทรแล้วเนี่ยนั่นนะศรัทธา นี่เราวังละตั้งศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เอาเราเชื่อคุณถ้าศรัทธาเนี่ยไม่ตั้งมั่นในศีลเนี่ยเชื่อว่าศีลจะทําให้เราพ้นจากทุกได้พ้นจากใบยภูมิเป็นต้นได้เนี่ศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมก็ตั้งอย่างนี้เหมือนมานพนุ่มอ่ะท่านมีความเชื่อว่าคุณความดีปฏิบัติดีต่อคุณพ่อก็คุแม่เนี่ย ตนเองจะต้องแบกแม่นะข้ามมหาสหมุทรให้ได้คนอื่นเ็าพากันตายเกลี้ยงหมดเนี่ยใช่ไหเป็นอาหารของเต่าของปลาหมดแล้วเนี่ยโดนขึ้นโดนเกลียวขึ้นซัดตกลงไปดูดลงไปในจมลงไปในทะเลลึกหมดแล้วแต่ตนเองมีศรัทธาในบุญกุศลในคุณความดีแล้วมีความมั่นใจว่าจะต้องแบกแม่ข้ามถึงฝั่งให้ได้นี่ไงถ้าอย่างนี้มัน คนที่มองดูอยู่เนี่ยเขาจะอุทานว่านี่ใช่แล้วคนอย่างนี้นี่ใช่ถ้าเห็นว่าอยู่สองสามตอมแล้วจมเนี่ยย่งี่าไม่ใช่ใช่ไหมนี้สิไม่ทอ้อเลยอ่ะบอกไหวไม่ไหวถึงฟังไม่ถึงยอมแพ้ไม่ไม่ยอมทําไมเชื่อไงอเห็นไหมศรัทธาเนี่ยศรัทธาจะตั้งมั่นในศีลแล้วจะไม่ยอมทุศีนะ่ะ ตั้งมั่นในสมาธิที่เป็นสมาสมาธิแล้วจะไม่เป็นมิจฉาสมาธิถ้าตั้งมั่นในวิปัสสนาปัญญาแล้วก็จะไม่ออกจากทางนะเพราะทั้งมั่นและนี่เหมือนการตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาแล้วไม่ถอยหลังแล้วเขาจะแล่นไปสู่ธรรมเบื้องสูงท่านปลูกศรัทธาอย่างนั้นดูก่อนจุนท้าเราตถาคตกล่าวว่าแม้เพียงความคิดเกิดขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็มีอุปการะมากไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าจะจัดแจงด้วยกายและด้วยวาจาบอกว่าเนี่ยแค่คิดอย่างเดียวเป็นบุญเอางั้นเถอะยังไม่จัดแจงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมเลยอ่ะแค่คิดทางมนโนกรรมอย่างเดียวเนี่ยบุญก็มาโหสารมโหลานแล้วคิดที่ท่านทั้งหลายคุณของพระบรมศ า, าสดานั่งคิดยืนคิดเดินคิดใช่ไหม นอนไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยนอนคิดเนี่ยคิดไ ด, ด้แป๊บเดียวมันจะไปเรื่อยนี่เนี่ยก็คือว่าจริงๆท่านนอนด้วยนะนอนก็คิดถึงคุณของพระบรมศาสด า, าเป็นต้นด้วย <c oughs> ใช้กรรมทางมโนทวานนี่แหละตรึกถึงคุณของพระบรมศาสด า, าถ้าหายเหนื่อยก็ใช้ทางกายทางวาจาปนมมือกล่าวจรรเสริญคุณของพระบรมศาสด า, าไปเถอะ ท่านทั้งหลายได้ดีได้ดีนะล้วจะพ้นจากสังสารวัฏได้ด้วยอาการอย่างนี้ไปซ้ำไปนี่พระเจ้ารับรองว้ดูก่อนจุนทะอภระจุนทาปรินิพานยังพระจุนทะนีนิพานหรือยังนิพานแล้วดูก่อนจุนทาเราจะถาคตกล่าวว่าแม้เพียงความคิดเกิดขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายก็มีอุปการะมากมีผลมากมีอนิสง์มาก จะป่วยกล่าวไปใยญ่ถึงการออกมาทางกายการรมประจีกรรมถ้าพูดถึงตอนนี้ท่านไม่ได้สอนจุนทะแล้วพระจุนทะแล้วท่านสอนว่าดูก่อนพวกเราเนี่ยความคิดนะ่ยอย่าปล่อยฟุ้งซ่านไปทั้งอื่นให้น้อมและลึกคิดถึงคุณของพระบรมศาสดาเหมือนอะไรแต่ว่าเหมือนบุคคลผู้พอใจได้ฟังว่า มีมาหาสมุทรแห่งหนึ่งลึกประมาณเท่านี้มีคลื่นซัดแรงอย่างลงไม่ได้ก็สะดุ้งกลัวคิดว่าเราจะใช้หม้อเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ํำว่ังนั้นนะกาถือหม้อใบเล็กๆที่ตักน้ําทั้งหมดนั้นไปได้อย่างไรบอกจึงไม่ไปไม่อยากบุคคลนั้นย่อมเสียผลประโยชน์ในการใช้น้ําร่างกายก็เลยไม่ได้อาบน้ําให้สะอาดเพราะรู้ว่าหวัวคุณของพระบรมศาสดา ม, มีมากเลยไม่ยอมคิด เหมือนบรุษที่ขาดมีหม้อเล็กๆไม่กล้าไปตักน้ำในมหาสมุทรเพราะกลัวไงกลัวคลื่นในมหาสมุทรแล้วกลัวเนะหม้อแล้วเล็กๆบางคนมาศึกษาคุณของพระบรมศาสดาบอกมีมากโอ้ยไม่คิดหรอกเรามีปัญญาโน้นก็ไ่โน้เจอคคำสอนของพระบรมศาสดาผไม่อาา่านหรอกเราไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจยังต่อไปกลับไปอ่านกลับไปฟัง นี่อมาเนี่ยไม่ใช่ไปพูดว่าโอ้ยยกตัวเองอมาก็อมากลัวที่สุดก็คือว่ากลัวว่าใจของตนเองจะเสื่อมจากคุณของพุทธเจ้าไม่มีวันไหนที่จะไม่พัลนาไม่สารเสริญไม่ฟังคุณพระพุทเจ้าไม่อ่านคุณพระพุทธเจ้าอมาพูดคุณเนี่ยนะทําไมอมาน้อมที่จะมาบรรยายคุณพระพุทธเจ้าเพราะอมาได้สอนตอนเองไง เาะเอามาคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นบุคคลที่สอนยากอามาก็น้อมสอนตัวเองเตือนตนเองสะกิดใจตนเองตลอดเมื่อสอนจเจมาก็ไปฟังอยู่นั่นแหละฟังอยู่นั่นแหละทําไมต้องฟังอามาต้องการขยายพุทธคุณในใจเอามาให้กว้างใหญ่ไพศาลเนะี่ยไม่ใช่หยุดอยู่หรือไม่ใช่หดลงอพระคุณของพระบรมศาสดาในห้องใจอามาจะต้องขยายให้ได้ จากเมล็ดพันุ์ผักกาดที่ต้องขยายมาเป็นตุ่มเอจากเป็นหม้อเล็กๆจากหม้อเล็กๆ เ, เป็นอ่างเป็นชามใหญ่ๆจากชามใหญ่ๆมันต้องเป็นตุ่มใช่ไหมจากตุ่มใหญ่ๆมันจะต้องเป็นเหมืองเป็นคลองขึ้นไว้ได้จะต้องขยายพุทธคุณในกระแสในห่วงใจของตนเองเนี่ยให้กว้างใหญ่ไพศาลได้ทําไมต้องขยายเพราะพระบรมศ า, าสดาบอกว่าไงต้องใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดต้องทําให้คล่องแคล่ว ต้องเรียนต้องสอบถามต้องเจริญแล้วต้องเอามากําหนดไว้ในใจใช่ไหมพุทธคุณใช่สติปัฏฐานไหมพุทธคุณนี่แหละคือสติปัฏฐานถ้าจัดในนามมาทมทั้งหลายในจัดเข้าในทำมานุปัสนาสติปัฏฐานฉะนั้นเจริญพุทธคุณก็คือเจริญทำมานุปัสนาสติปัฏฐานเขาใหอย่างเจริญพุทธคุณก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทําไมจะไม่เจริญน่ะคนไม่เจริญสติปัฏฐานพ้นทุกข์ได้ไหม เอาเป็นปฏิบัทาเบื้องต้นที่จะเป็นให้เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์่ะเอาใครว่าพุทธคุณไม่ใช่สติปัฏฐ า, านใช่ไหมใช่สติปัฏฐานลเลยไปดูส่วนบุคคลใดได้ฟังว่าในมหาสมุทรมีน้ำก็ไม่สะดุ้งกลัวคิดว่าเราจะได้น้ำมาก กเราจะต้องได้น้ำมากรีบถือหม้อไปยังมหาสมุทรอาบเดื่มกินความกระวลกระวายก็ระงับไปเพราะเล่นน้ำแล้วก็ตักน้ำเต็มหม้อทำกิจที่ต้องการที่จะใช้ร่างกายก็สะอาด ก, ก็มีความสะดวกสบายฉะนั้นอย่า ก, กลัวพุทธคุณอย่าคิดว่าพุทธคุณนั้นเน่ะลึกซึ้งเราเลยคิดไม่ได้แม่เพราะบอกว่า พระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยภานาคุณของพุทธเจ้าด้วยการันจนกลับนี้สิ้นไปคุณของพุทธเจ้าก็ไม่หมดใช่ไหมที่อามาเคยกล่าวไว้ครั้งก่อนนันที่บอกว่ามีพระเถระสมัยพุทธกาลลอพุทธกาลยรคีตตาเอ่ย ท, ที่สมัยลังกาที่เทศนาพุทธคุณกถาที่บอกว่าให้กับพระราชาฟังพระราชาบอกยังไม่ยิ่มหนําต่อการฟังพุทธคุณกถาขอให้พระเถระช้อุปมาให้หน่อย พระเทเรซาก็เลยอุปมาว่าเหมือนกับตนเองนั้นเข้าไปในในในดาข้าวสาลีอ่ะหยิบรวงข้าวเมล็ดหนึ่งเม็ดข้าวหนึ่งมั็หนึ่งรวงเนี่ยนะอนเอหยิบรวงข้าวมันหนึ่งรวงข้าวหนึ่งรวงเนี่ยมีเม็ดอยู่นิดหน่อยแค่เนี้ยฉะนั้นพระเจ้าคุที่อาจมาแสดงทั้งวันทั้งคืนหนึ่งสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็เท่ากับเมล็ดข้าวในเนี่ยหนึ่งรวงที่อยู่ในมือมือนะว่างั้นเนี่ยของบุรุษคนนั้นแหละ ส่วนพุทธคุณที่ยังไม่ได้นำมากล่าวนั้นเหมือนมเมล็ดข้าวสาลีทั่วจะในทั่วชมพูตะวีปนั่นแหละคุณของพระเจ้าแล้วอีกอุปมาหนึง่งที่บอกว่าเหมือนกับมีบุรุษคนหนึ่งใช้เข็มไงยันลงไปในมหาสมุทรน้ําที่ลอดรูเข็มนั่นแหละคือพุทธคุณที่อานมาแสดงสิบสองชั่วโมงว่าไหแต่น้ําที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งสิ้นนั้นคือคุณของพระบรมศาสดาที่ยังไม่ได้กล่าวเอายังไม่จุใจขออุปมาอีก ถ้าเทราก็เลยอุปมาบอกเหมือนกับนกแอ่นลมไงบินบินไปน่ะหางก็ดีปีกก็ดีที่ถูกถูกต้องลมอ่ะนั่นแหละคือพุทธคุณที่ที่อาตมาแสดงสุดสองชั่วโมงแต่อากาศทั้งสิ้นจักรวาลทั้งสิ้นียังไม่ได้ลมทั้งสิ้นหรืออากาศทั้งสิ้นที่ไม่ต้องถูกถูกปีกและหางของนกนั่นแหละที่ยังเหลือทั้งหมดนั่นคือพุทธคุณที่อาตมายังไม่ได้นำมากล่าวโอ้โหพราชาสาธุสาธุปีติทั่วสะพานเลยมั้ย คนยืนฟังได้สิบสองชั่วโมงแล้วไม่ไม่พาดจิตไปทางอื่นเนี้ยถ้าเจอคนอย่างนี้ก็น่าจะอุปมาให้ฟังทั้งคืนใช่ไหมใช่สำคัญว่าเริ่มปัญญายก็เริ่มหลับตั้งแต่คำแรกเลยไม่รู้จะอุปมาอะไรเลยในเนี้ยนะฉะนั้นกาลยาณะบุรรชนก็เหมือนกันไม่พึงเป็นเหมือนกับบษที่ขาดเกียรติคานคิดว่าพุทธคุณทั้งหลายกาหนดประมาณนี้ได้ เราจะใช้ปัญญาน้อยนี้ของเราอย่างลงได้อย่างไรพึ่งเป็นเหมือนบุรุษผู้กล้าไม่สะดุ้งกลัวนั้นอย่างลงสู่สาครกล่าวคือพุทธคุณทั้งหลายนะอย่างลงเลยคิดเลยคิดในคุณของพระบรมศาสดานั่นแหละชำระมวลทินที่มีอยู่ในจิตสันดานเสียคือราคะโทสะโมหะด้วยปีติมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ดับความกวนกวายความเร่าร้านนอนคือกิเลสออกเรียนพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทนะเรียนปะ อิติปิโสภะควาคืออะไรอรหังคืออะไรสัมมาสัมบูโทโธคืออะไรวิชาจารณาสัมปันโนคืออะไรสุขโตโลกวิทูนุตรโปรปุเรศามสาระทิสัทาเดวนานุสานังพุโทโธภะควานี่นะแล้วก็ไปขยายตีศัพท์สุดท้ายอย่างอย่างที่อามาขยายไว้เนี่ยเรียนจำพรธคุณพอประมาณแก่ปัญญาของตนก็ยัง อ, อุปจารและสมาธิเกิดแล้วก็เจริญนิปัสนาเป็นประทัดฐานบรรลุอรหัตมรักอรหัตผลได้ลองคิดดูที นี้ก็เป็นช่องทางในการออกจากทกของกลุ่มพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยนี่เป็นอย่างนี้อันนี้พอเราเริ่มเข้าใจคุณของพระบรมศาสดาอย่างนี้รู้จักพระเจ้าพอสมควรแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะได้ย้อนกลับไปศึกษาบารมีดีไหมเดี๋ยวต่อไปก็ศึกษาบารมีธรรมที่พระบรมศาสดาได้ไ ด, ได้ทรงแสดงไว ว่าพระบรมศาสดาจดทรงแสดงคุณของการสั่งสมในอภินิหารในการก่อนนะตรงนี้ก็ต้องเชิญชวนบอกว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณมิใช่น้อยของพระพุทธเจ้านั้นในโลกนี้บุคคลที่จะเปรียบเทียบแล้ยิ่งกว่าพระมหาบรรุษนั้นไม่มีเลยเนี่ยย้อนกลับไปนี่นะ มหารบรุษก็เช่นนั้นเหมือนกันน่ะให้คุณอะไรนั้นไว้มหารบรุษนั้นได้ให้อะไรเป็นวิเศษไว้นั่นนะตรงนี้ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณไม่ใช่น้อยของพระมหาบุรุษผู้เกิดแล้วในโลกพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อท่านทั้งหลายกล่าวคุณของพระมหาบ ร, รุษถ้านเราจะกล่าวคุณของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปากไม่พอจะกล่าวถ้าบอกจะมีปากท่าไม่รู้กี่ล้านล้านปากเนี่เนอะก็ไม่พอจะกล่าวข้า บอกว่าบุคคลผู้เสมอหรือสูงสุดกว่าพระหมหากรุตนั้นย่อมไม่มีท่านบอกว่าพระหมหากรุษนั้นไม่ได้อะไรท่านบอกว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยนะเมื่อท่านไข้ควรพิจารณาอยู่เนี่ยพอพิจารณาบอกว่าถ้านับจากปัจจุบันนี้ไปถ้าเรานับย้อนหลังไปใช่ไหมถ้าใน ที่เราจะศึกษากันในบารมีเนี่ยก็ย้อนไปถึงสี่สงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับจะต้องนับตรงนี้แต่เพราะเราศึกษาสำราริบากเราศึกษามาแล้วไงก็ต้องไปเชื่อมกันในการที่ศึกษาพระคุณและศึกษาบารมีใช่ไหมที่จริงวันนี้อากาศจะเดินศีลบารมีเอฐานะบารมีศีลบารมีรมเนคัมมะบารมีก็จะสรุปให้จบได้เลยสามบารมีให้ได้เนะยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอามาก็ไม่ไม่กังวลตรงนั้น เหตุไม่กังวลก็คือว่าการภราณนาคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยมันจบไม่ได้ไงถ้าใอยากจะนคนจบไม่ได้ถ้าใครไปตั้งพุทธคุณนกถาแล้วจบเนี่ยไม่มีไม่มีคนที่จะถอนเสริฐคุณของพระาศาสดาจบคนคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองเนี่ยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไปแค่ไหนก็แค่นั้นดีไหมเอาอย่างนี้นะอามาจะได้ไม่เร่งรีบ ถ้าเร่งรีบนี่เอามาก็สรุปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเอามาไปฟังทีไลโอ้โหวิ่งเร็วเกินานี่เนี่ยเอามาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไหวความเร่งรีบก็จะเป็นเหตุแห่งการที่ว่าหนึ่งเนี๋ยวเอามาก็มนานัดสิการผิดใจก็จะไม่เป็นบุญเอามาก็ต้องรักษาบุญตนเองไว้ลำดับแรกใช่ไหมท่านทั้งหลายก็รักษาใจท่านเอามาก็รักษาใจเอามาถ้านับจากปัจจุบันนี้ไปในกับเนี่ยสยาสงขายยิ่งด้วยแสนกับ ตรงนี้ก็กล่าวพรรณนาถึงในเรื่องของสุเมธาดาบททีนี้ได้พูดถึงในเรื่องของสัพพบา ร, รมีได้กล่าวไว้แล้วในสัพพบา ร, รมีทั้งหลายก็กล่าวถึงในเรื่องของลักคณะที่จกตุการของสัพพบา ร, รมีมีการอนุข้อผู้อื่นเป็นลักษณะแล้วก็มีการทําอุปการลแก่ผู้อื่นเป็นกิจหรือมีความไม่หวั่นไหวด้วยเป็นกิจและมีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏหรือมีความเป็นพระเจ้านั่นแหละ บารมีทั้งหมดนั้นอ่ะจะดูว่าบารมีเหล่านั้นบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ดูว่าความเป็นพระเจ้านั้นอุบัติเกิดขึ้นหรือยังถ้าความเป็นพองพระเจ้านั้นอุบัติเกิดขึ้นนั้นบ่งบอกว่าบารมีของท่านนั้นเต็มถ้าไม่เต็มก็ยังเป็นพระเจ้าไม่ได้ให้สังเกตดูว่าข น, นาดนะในพบสุดท้ายแล้วท่านยังหลงทิศหลงทางอยู่ตั้งหกปีอันนี้บ่งบอกถึงความยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ยังไม่แก่กล้า ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอจนถึงเวลาอย่างนี้เป็นต้นมีความเป็นพระเจ้าเป็นผลปรากฏมีมาหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเนี่ยแหละเป็นเหตุใกล้นั้นบารมีทั้งปวงก็คือทานศีลเนกามาปัญญาเวรยิยะขันติสาจาัจจทิฏฐานเมตตาเวขาตรงนี้ก็คือว่าได้สได้กล่าวไว้แล้วว่าบารมีทั้งหลายเป็นเหตุให้ถึงบรมธรรมดังกล่าวเนี่ยนะ ในบารมีทั้งปวงต่างๆเหล่านั้นน่ะนะถ้ามาพิจารณาถึงในเรื่องของลักษณะในบารมีต่างๆเหล่านั้นท่านก็กล่าวไว้บอกว่าในคําสอนของพระบรมศาสดาที่กล่าวไว้บอกว่าเสียสงไขเนี่ยนะมาจากคาว่าอาสังขียานังอสังขา ย, ยาเนี่ยอสงไข่เนี่ย ค้นวิถีที่จะพึงนับได้อสังคียะศัพ์ในที่นี้ใช่ในความหมายว่ากำหนดนับไม่ได้เพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าทีบังกรยิงตรัสว่าในกลับอันหาประมาณไม่ได้นับจากกลับนี้ไปดาบทนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกเห็นไหมแปลพระพุทธเจ้าบอกว่านับไม่ได้ถ้าในใจความก็คือว่านับจากปัจจุบันนี้ในกลับอดีตเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากลับ สุเมธาดาบทก็ห่อไปทางอากาศด้วยลิธิ์ในครั้งนั้นพระชินเจ้านามว่าพระทีปังกรใช่พร้อมด้วยพระสงฆ์สี่แสนรูมและเสด็จไปยังรัมมะนะครรุ่งเรืองอยู่อันผู้ผู้อันเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายบูชาอยู่ดุดผ้าอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันรุ่งเรืองอยู่ใน่ามกลางท้องฟ้านั้น สุมเมธาดาบทได้ฟังคำของพวกมนุษย์ซึ่งกำลังพยายามทำทางเพื่อพระพุทธเจ้าทีบังกรแล้วก็กล่าวท่านเหล่านั้นก็กล่าวว่าพุทธโธเนีพอได้ยินคำว่าพุทธโธกล่าวคือพระพุทธเจ้าแค่นั้นและสุมเมธาดาบทก็เกิดปีติทั้งห้ามีขุทกาปีติเป็นต้นวันนี้เราจะถวายร่างกายของเราแด่พระพุทธเจ้าทีบังกรพระ อ, องค์นี้ อยากเป็นพระเจ้าเช่นพระเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตนี่ใจเป็นอย่างนั้นสุมเมธาดาบทนั้นนอนทอดร่างกายจนเป็นสะพานบนเปลือกตมดินแอ่งน้ําในทางนั้นก็คิดว่าขอพระเจ้าพระองค์นี้จงเสด็จไปบนหลังของเราถ้าพระโพริยาณจัาเร็จแก่เราในอนาคตเราดูภาพที่ทางชมรมจัดแสดงให้ดูแล้วใช่ไหม ทีนี้ตรงนี้ขยายอาสงไข่เนี่ยนะในกลับอันนับไม่ได้ก็ผ่านมาตามลําดับเสียสงไข่ยิ่งได้แสนกลับเนี่นะตอนนั้นที่ว่าห่อไปด้วยฤทธิ์เป็นต้นเหล่านี้พัชชินาเจ้านาะวาทีปังกรตรงนั้นก็มีว่าตันหนังกรเมียทังกรก็ไหลามาตามลําดับตอนนั้นท่านบอกว่าครั้งนั้นสมีธาดาบทเกิดในสกูลพราหมณ์ใช่ไ้ย มีสมบัตินับไม่ถ้วนในอมร อ, อมอวดีเป็นพรามกุมารมีนามวสุมเมธะศึกษาจบไตรเพศเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็สำรวจดูทรัพย์สมบัติถ้าเราดูย่อประวัติของพระบริษัทเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถามว่าคนที่ให้ทานด้วยอโลพาเนี่ยอโลพาทานนะแข็งแรงนะให้ไปเถอะถ้าให้ด้วยโลพานี่นียให้ไปแล้วเป็นโทษ เป็นโทษแก่ผู้ให้แม้ไปเกิดในสังสารวัฏพอไปมีแล้วก็เป็นโทษไปฆ่าตัวเองในอนาคตนั้นถ้าจะให้ทานต้องให้แบบพระโพธิสัตว์ท่านให้ให้แล้วต้องให้มีอโลพาเป็นตัวสลักตัวไม่ยึดติดนั่นในวัตถุทานทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะตัวอะโลพานี่เป็นนามธรรมอโลพาเนี่ ย, นนรรยจะต้องไปฉาบติดกับวัตถุทานที่เราจะให้ด้วย จะได้ไม่ติดข้องก็คือสละแล้วก็เหมือนเด็ดดวงใจ ย, ยื่นให้ทำได้ไหมตัดเลยอะ่ะถ้าอย่างนี้เป็นอโลพะการให้แบบนี้เขาเรียกให้เพื่อขัดเกลาให้เพื่อเป็นช่องทางในการบรรลุไม่ใช่ให้เพื่อจะเอาอะไรเลยใช่ไหมแต่ให้เพื่อตัดให้เพื่อสละให้เพื่อขัดเกลาจริงๆยินดีที่ได้ให้ ชื่นใจที่ได้ให้เมื่อให้แล้วก็ไม่เสียดายก็มีการตัดขาดแล้วก็กลับมาภูมใิใจในให้แล้วก็ปรารถนาที่จะให้ยิ่งยิ่งกนไปท่านให้แบบนี้ถ้าเราให้นะผลของการให้มันมีถ้าทานกุศลมันย้อนกลับมาทำให้เราได้มีมากมายมก็ไปติดอยู่ใ น, นเอาได้บริวารมากๆก็ติดบริวารเนี่ย ได้ทรัพย์สมบัติมากๆก็ติดทรัพย์ได้ยศตำแหน่งมากๆก็ติดยศได้อะไรมากๆได้สรีระที่งดงามทั้งหลายก็ติดสรีระตัวเองได้ความคิดที่มันฉลาดก็ติดความฉลาดตัวเองเห็นไหมการให้แบบประเภทที่ด้วยความโลภเนี่ยมันผิดไม่เป็นบรารมีฉะนั้นต้องละทำยากไหม ต้องฝึกตรงนี้ท่านก็บอกว่าท่านอยู่คลองเรือนนะอยู่คลองเรือนเพราะเหตุนั้น น, นะนะพระผู้มีพภาคนเนรมิตรจงกลมในกาศในสมาคมห่งประญาติที่นิโคทาลมเพราะผูะพุทธเจ้าแสดงเองนะสูตรนี้นะ